เล้ระลึกถึงพระพรมองคหนึ่งชื่อพระกัปพรมบางทีก็จะเรียกพระกาพรมเคยได้ยินชื่อไหมถ้าใครนิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้านเนี่ยจะมีบทสวดมนต์บทพาหุงเคยได้ยินไหมเคยสวดนะใ ค, ใครสวดได้บ้างพาหุงท่อนท่อนที่แปดจะกล่าวถึงประกาพรมเนี่ยพระกาพรมเนี่ย เป็นพระพรหมระดับมหาพรหมไม่ใช่พรหมธรรมดานะมหาพรหมเกิดมีทิฏฐิผิดขึ้นมาว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นเป็นมหาพรหมคือเป็นผู้บันดาลก็คือเป็นเป็นาศาสดาหรือเป็นเขาเรียกอะไราศาสนาเนาะของาศาสนาพราหมณ์ประมาณว่าใครจะเกิด ท่านบรรดาลใครจะมีชีวิตยังไงท่านบรรดาลประมาณอย่างเงี้ยแต่ตัวท่านเองเนี่ยไม่ตายมีชีวิตเป็นนิรันด์แล้วก็มีสภาพของความเป็นพรมเที่ยงเที่ยงคือไม่ไม่ตายจากความเป็นพรมละคือท่านเกิดแล้วมีชีวิตอยู่ในความเป็นพรมเนี่ยยาวนานเห็นจั ก, กรวาลเกิดเห็นจั ก, กรวาลดับเห็นเทวดาองค์โน้นองค์นี้เกิดดับเกิดดับแต่ตัวท่านเองเนี่ยไม่เกิดไม่ดับ ก็มีความเห็นว่าตัวท่านเนี่ยเป็นผู้ผู้บรนดาลทุกอย่างเหมือนถ้าเป็นศาสนาฮินดูก็เป็นพระพรหมบวกกับพระอิศวรอะไรเงี้ยเป็นพระผู้สร้างผู้ ด, ดูแลพระพุทธเจ้ารา ล, ลึกถึงพระพรหมองค์นี้นักก็เห็นว่าพระพรหมองนี้มีความเห็นผิดก็คิดจะไปแก้ไขทิฏฐิก็ขึ้นขึ้นไปทั้งองค์เลยนะ ไม่ได้เอาจิตขึ้นไปนะเอาเอากายเนื้อนี่ขึ้นไปเลยพอขึ้นไปพระภรมพระการะผรมเนี่ยก็ดีใจโอ้ท่านมาดีแล้วนานๆได้เจอกันนะไม่รู้เคยเจอกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นคำทักของคนสมัยก่อนอท่านมาดีแล้วนานๆได้เจอกันทีที่นี่เป็นที่ดีที่นี่เป็นที่ประเสริฐที่นี่เป็นพบของผู้เที่ยง พบของผู้ที่ไม่มีทุกข์ดีมากที่ท่านขึ้นมาได้ตัวนี้ยินดีต้อนรับเวลคัมยินดีต้อนรับเชิญนั่งประมาณอย่างนั้นนะพระเจ้าก็ทักเลยบอกว่าพรมนี้มีความเห็นไม่ดีแล้วหนอเห็นผิดแล้วหนอเห็นว่าสถานที่ที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสถานที่ที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นว่าสิ่งที่ไม่เป็นตัวตนว่าเป็นตัวตนพร อ, อุทานอย่างนี้ขึ้นมานะพระพรหมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยมีรัศมีที่สว่างมากนะสว่างกว่าพระพรหมทั่วไปด้วยซ้ําไปพอพระพุทธเจ้ามาเสด็จมาที่พระกาพมเนี่ยผมทั้งหลายก็มาประชุมนุมกันเป็นหลายหมื่นมาก็พอทักนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีพระพรหมองค์หนึ่ง พูดแยง้งพูดแย้งพระพุทธเจ้าพระพรมองนี้เนี่ยพระพรมในชั้นพรมเลยนะพรมมหาพรมเนี่ยเป็นเพียงพรมที่ทํำปฐมฌานได้ <c oughs> ในพรมที่ทํำปฐมฌานได้นั้นนะแบ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆประเภทที่แบบเต็มภูมิจริงๆนีเรียกว่ามหาพรมประเภทรองลงมาระดับกลางเรียกว่าพรมปุโรหิตปุโรหิตา แบบธรรมดาที่สุดเลยแบบอะไร u l t ของของพรมอันนี้นะเป็นพรมที่แบบว่าเบสิกที่สุดเลยเนะี่ยก็คือเป็นพรมปริษัทชาเป็นแบบบริษัทเป็นสมาชิกสมาชิกของพรมชั้นชั้นแรกมีพรมระดับปริษัทชาท่านหนึ่งเนี่ยถูกมารเข้าในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าเข้าสิง ในในพระไตรปิฎกฉบับแปลนะบอกว่าเข้าสิงคำบาลีจำไม่ได้ว่าใช้คำอะไรแต่พอแปลว่าบอกใช้เข้าสิงร่างอาตมาไปอ่านหนังสือของท่จ้าคุณประยุทธ์หนังสือพุทธธรรมท่านกล่าวถึงท่อนตรงนี้พอดีและท่านใช้คำว่า ง, งาอาตมาก็เอ๊พิมพ์ตกหรือเปล่าเคยได้ยินคาว่า ง, งามห อาตมาเนี่ยก็ไปเปิดพจนานุกรมเออมีคําว่างำเหมือนกันแต่เข้าใจว่าเอ๊ะท่านท่านจะใช้คําว่าครอบงำหรือเปล่าแล้วเขาไอ้คนพิมไม่เรียกไอ้คนพิม์ไม่ ไ, ม ไ, มได้คนที่พิม์เนี่ยอาจจะเป็นพ่าก็ได้นะ <laughs> <laughs> ท่านที่พิมเนี่ยนะท่านที่พิมพ์เนี่ยอาจจะพิมพ์ตก น, น, นะก็เลยถามท่านเขียนเขียนเขียนไปถามท่านบอกว่าข้อความตรงนี้เนี่ย ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ใช้คำว่างำประกฏในหนังสือว่าใช้คำว่างำเป็นการตั้งใจใช้หรือว่าพิมพ์ตกครับในโพจากนั้นุกคมใช้คาว่าสิงร่างตรงนี้ใช้คาว่างำตรงนี้ท่านเจ้าคุณตั้งใจใช้คำว่างำหรือว่าใช้คำว่าอยากจะใช้คำว่าครอบงามแต่พิมพ์ตกคือให้เลือกท่านบอกว่าใช้คาว่างำ เพราะครอบงำานความแตกต่างของภาษานะอาตมาก็ได้เรียนภาษากับท่านไปด้วยนะครอบงำเนี่ยหมายถึงว่าใช้อํานาจจิตเข้าไปบังคับคนคนนั้นโดยที่คนคนนั้นรู้ตัวครอบงำเนยนะเวลาถูกกิเลสครอบงำเนี่ ย, นะ เ, กก เ, ร เ, ยเราก็รู้ตัวนะแล้วเราก็ทำไปด้วยเจตนาผิดๆของเราเราตั้งจิตเจตนายังไงก็ตั้งใจทำผิดไปรู้ตัวแต่ถูกกิเลสครอบงา แต่สิงร่างเนี่ยสิงร่างนี่ก็คือเข้าไปใช้ร่างเข้าไปใช้ร่างงำงำนี่คือความหมายก็คือปิดปิดงำคือปิดไม่ให้คนนั้นรู้ตัวแล้วใช้อำนาจจิตเนี่ยบังคับโดยที่ไม่ให้เจ้าตัวเนี่ยรู้ตัวมันจะเป็นเหมือนหลงหลงเลือนเลือนแล้วก็ พูดไปตามที่คนบังคับเนี่ยให้พูดท่านใช้คำว่า ง, งำคำเดียวมารมารเนี่ยเป็นเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีไม่ใช่เป็นพระผมนะปรนิมิตวสวัสดีเนี่ยคือคนที่เคยทำอรูปฌานได้แต่ตอนตายเนี่ยไม่ได้เข้าอารูปฌานก็เลยมา เป็นเทวดาชั้นปรนิมิตตวัสวัสดีนั้นเขาก็มีกําลังของฌานของจิตที่มากมากกว่าพรหมที่เป็นรู ป, ปรพระรหมนั้นก็เลยแม้จะเป็นเทวดาชั้นกามาวาจรนะแต่ว่ามีอํานาจจิตแรงสามารถมงัมงงํามมังงาพระพรหมมาได้พระพรหมองคหนึ่งนะที่เป็นปริศชาพรหมนะถูกมานเข้างํา ก็เลยพูดกว่าพรหมที่ถูกงำเนยนะพูดว่าภิกษุภิกษุใช้คำอย่างี้นะเรียกพวกพุทธเจ้าว่าภิกษุภิกษุถ้าเป็นภาษาไทยปัจจุบันหลวงพี่หลวงพี่ประมาณนี้ไม่ให้เกียรติภิกษุภิกษุอย่าพูดกับพระผู้เป็นใหญ่พระพมผู้เป็นใหญ่อย่างนี้นะพระพรมองค์นี้เนี่ยเป็นอิสวนเป็นผู้บรรดา คำว่าอีสวนเมีอยู่แล้วนะจากยุค ป, ปัจจุบันกลายเป็นแยกเป็นอีกองคหนึ่งนะองค์นี้เป็นอีสวนนะเป็นผู้สร้างเป็นผู้บรรดาล น, นะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครๆก็อยู่ใต้อำนาจท่านท่านอย่ามาพูดอย่างนี้อย่ามาอย่าพูดตำหนิอย่ามาคิดว่าสถานที่อย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้อย่างนี้เหมือนพูดตำหนิมีมาแล้วนี่มีไปแล้ว สมณพราหมณ์ในการก่อนเนี่ยตําหนิดินว่าดินเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตําหนิน้ําตําหนิลมตําหนิไฟว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกนี้นะตายไปแล้วไม่ดีสักคนหนึ่งไปอาบายหมดแต่ถ้าใครพูดยกย่องชื่นชมดินน้ําลมไฟยกย่องพระพรมเลยนะคนนั้นตายไปแล้วจะไปสุคติท่านกลับคําสมัยนะบ่ายา ง, งี้นะพระเจ้าก็ ยืนยันคำเดิมว่าจะพูดได้ยังไงอ่ะก็มันไม่เที่ยงเห็นอยู่มีการเข้าฌานต้องออกฌานมีการเกิดก็ต้องมีการตายท่านก็ยกตัวอย่างบอกว่าสิ่งที่พระพมชั้นนี้เนี่ยมองไม่เห็นคือพระพมชั้นสูงๆขึ้นไปแต่เราเห็นแล้วท่านก็ใช้พุทธานุภาพบันดาลให้พระพมชั้นนั้นเห็นพระพมชั้นสูงๆขึ้นไป พระพร ม, มีกี่ชั้นสิบหกชั้นนะโออเยอะนะพระพรมเลยนะสิบหกชั้นเดี๋ยวลองไล่ดูนะชั้นที่สามเลยนะชั้นปฐมปฐมชานนี่สามเลนะมีปริสัทชามีปโปรหิตาแลวก็มีมหาพรมท่านใครดูเนี่ยคนที่ทา ช, นช้นที่สองได้นะก็มีอีกนะแบ่งเป็นสามชั้นถ้าได้เต็มภูมิเลยเนี่ยเรียกว่าอาพัสรพรมไม่ใช่นางงามนะ อาพสราหมายถึงพรมที่มีแสงแสงสว่างอาพสราพรมแล้วก็ระดับกลางเนี่ยสว่างไม่มีประมาณเรียกว่าอัปประมาณาอัปปมานาพรมแล้วก็ปริตาพาอัปประมานาพาด้วยนะมีอาพาพรมที่ชานที่สองเลยนะจะมีแสงสว่างมากก็แบ่งเป็นสามระดับ ระดับแบบธรรมดาระดับกลางแล้วก็ระดับเต็มภูมิได้ชา้นที่สามนอกจากสว่างแล้วเนี่ยสว่างแบบสวยงามด้วยแสดงว่ามีสีเข้าใจเองนะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าท่านอธิบายว่าชั้นที่สองเนี่ยสว่างเฉยๆพอชั้นที่สามเลยนะสว่างแบบสวยงามสว่างสวยงามก็แบ่งเป็นสาม ร, ระดับเหมือนกันแบบเต็มภูมิแบบกลางแล้วก็แบบธรรมดาแต่พพมชั้นที่สี่ ได้จากตัวจชาเน้นนะมีชื่อเดียวมีชื่อเดียวไม่แบ่งเป็นสาไม่แบ่งเป็นสาแต่แบ่งเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นรูปประพรมแบบปกติอีกแบบหนึ่งเป็นมีแต่รูปมีแต่รูปไม่มีนามเลีกอสัญญาสตตาอสัญญาสตตาพม ต้องทำฌานที่สีได้นอกจากนั้นจะมีชั้นของพระอนาคามีพระอนาคามีเรียกว่าสุทธาวาสผมชั้นสุทธาวาสก็แบ่งเป็นอีกห้าห้าประเภทอวิหาอาตัปาสุทัศสาสุทัสศสศีแล้วก็อกติฐาครบไหมเนี่ยครบลเลยหรอออโอ้โหวันน <laughs> ี้อุตสาหะแยกได้ครบ ห้าแบบประเภทนี้บวกกับอีกสองอีกสามอีกสามอีกสามโอเคครบนะสิบหกชั้นพระเจ้าแสดงให้ดูแล้วก็ให้ดูที่ท่านเข้าใจว่าสูงสุดเนี่ยนะยังมีเหนือท่านอีกตั้งเท่าไหร่สิบสามชั้นพระผมพมที่เป็นมหาพรมเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกเสียเซลล์หน่อยๆน่อย แต่ก็เอาละถึงยังไงฉันก็ยังดีกว่าเธอประมาณนี้นะฉันก็ยังดีกว่าเธอและจะพิสูจน์ว่าดีกว่ายัางไงนะเขาเล่นซ่อนหากันเดี๋ยวฉันจะหายตัวจริงๆเธอมองไม่เห็นประมาณนี้นะตัวเนี้ยแบ่งแบ่งเป็นแบ่งเรื่องเล่าเรื่องเล่าเป็นสองสายในตำนานของพาหุงจะเล่า ว, ว่าพระผมเนี้ยก็หายตัวไป หายตัวไปอยู่ในใต้สมุทรไปอยู่ในท้องฟ้าอยู่ในอะไรอยู่ในกองทรายประมาณนี้ไปที่ไหนก็พระพุทธเจ้าก็หาเจอหมดแต่ในพระสูตรในพระสูตรนี่เล่าอีกแบบหนึง่งอาตมาดูว่าสมเหตุสมผลมากกว่าที่เล่าว่าพระพรมไปนู่นไปนี่แล้วก็หาเจอเนี่ยดูดูเหมือนสนุกดีนะแต่ในพระสูตรเนี่ยเล่าได้ อาตมาอาตมาว่ามันสมเหตุสมผลมากกว่าในพระสูตรเล่าบอกว่าพอพระพรมคิดจะหายตัวบอกว่างั้นเราจะหายตัวให้ท่านไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าท่านปราตนาถ้าท่านปราตนาจะหายตัวก็จงถ้าทำได้ก็จงทำเถิด <c oughs> นี่ถ้าทำได้ก็จงทำเถิดแล้วท่านก็ใช้พุทฐานุภาพไม่ให้หายพระพมก็ ทีแรกนะเข้าใจว่าตัวเองหายแล้วนะแล้วก็ไปนั่งยองๆไปหลบอยู่ที่หนึ่งไปนั่งยองๆหลบอยู่ที่นึงเข้าใจว่าตัวเองหายแล้วมันเคยทําอย่างนี้แล้วหายอะ่ะแล้วก็ไปนั่งยองๆเพราะผมทั้งหลายก็เห็นอะ่ะเห็นแล้วก็หัวเราะคขำกิกเลยอะ่ะเฮ้ยเขาเห็นเราเหรอหลบไปอีกที่หนึ่งก็ค like you know, ือเหมือนคนวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในนั้นพมทั้งหลายนี่ที่นั้นนะโอ้ไปหลบอยู่นั้นแล้วหลบอยู่ข้างเสาแล้วหลบอยู่ข้างฝ้าแล้วประมาณอย่างเงี้ยเพราะผมก็เลย อ้าวเราไม่หายทำยังไงก็ไม่หายทำไงดีก็ถ้าเราทำไม่ได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรมามาทำให้เสื่อมงั้นทุกคนในนี้ต้องเสื่อมอ้าวงั้นท่านลองทำสิชี้ไปที่พทะเจ้าท่านลองทำสิพระเจ้าก็อ่าฟุ๊บหายเลยอ้าวแต่เสียงยังอยู่เสียงยังอยู่ พระเจ้าก็เปล่งเสียงไปเรื่อยๆนะพระผมทั้งหลายในที่นั้นนอกจากมาหาพรมแล้วผมทั้งหมื่นหลายหลายหมื่นเนี่ยก็ช่วยกันหาไม่เจอเสียงเหมือนอยู่อยู่กับหูเลยกับทุกๆองค์เลยแต่ไม่เจอยอมผมเลยยอมบอกว่างั้นยอมละแพ้ยอมแพ้พอยอมแพ้ก็คลายตัวออกมาก็เห็นอยู่ที่เดิม อยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่เสียงเนี่ยเหมือนก็อยู่ไปอยู่กับหูทุกๆคนเลยตรงนี้พอพระพมยอมมาเนาะเอาอีกมาเห็นแล้วว่าแย่แล้วถ้าพระพมจุดนี้นะไปนะเสร็จเลยหมดมาบอกว่าสามณะโคโดมท่านอย่าไปสอนอย่างนี้กับใครอีกนะ มีอ้า ง, างนึงว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเ น, นี่ยนะตัดสรู้แล้วท่านก็เสวยมุติสุขไม่ไปสอนพระพรมที่ไหนเนียนะท่านก็มีชีวิตสุขสบายไม่ไม่มีไม่มีวิบากที่เป็นเป็นทุกข์แต่ถ้าไปสอนแล้วนะวิบาสเป็นทุกข์อย่างมากมายนะท่านอย่าไปสอนใครอีกนะพรบพุทธเจ้าก็ตัดตอบ พรหมที่ถูกงำเนี่ยนะบอกว่าเราเห็นทุก์เห็นโทษของพบภูมิทั้งหลายอย่างไปณพบภูมิทั้งหลายแล้วไม่มีพบภูมิไหนที่เป็นสุขเลยนี่ว่างกันนะมาอยู่เป็นพรหมคิดว่าพรหมเป็นสุขเรามาอย่างดูแล้วพรหมนี่ไม่สุขเลยเป็นพรหมก็ต้องตายจากพรหมเป็นรูปเป็นรู ป, ปรพรหมคิดจะไปหาอรูปพระพร ท่านใจคคำว่าอยู่ในพบแล้วคิดหาวิพบไปอยู่ในวิพบได้ก็ยังไม่เป็นสุขแท้จริงมันมีตัณหาอยู่3ามแบบใช่ไหมกามาตัณหาอยากได้กามภาวะตัณหาในแง่หนึ่งก็คืออยากได้รูปภพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะไรวิภาวะตัณหาถ้าอธิบายแบบทั่วทั่วไปแบบคนทั่วทั่วไปนะ กามตัญหาก็คืออยากได้กามเพราว่ตัญหาคืออยากเป็นวิภวะตัญหาคืออยากที่จะไม่เป็นกามตัญหาเนี่ยอยากได้กามกามที่สูงสุดเลยก็คือเทวดาเทวดาชั้นสูงสสูงสุดเลยก็คือปรนิมมิตวสวัสดีถ้าได้กามอย่างถูกต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็จะได้กามแบบดีๆ เป็นสวรรค์เป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์หรือเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากามอย่างไม่ดีผิดศีลผิดธรรมกาลังหาการอยู่นั่นแหละแต่ทําโทษให้กับตัวเองด้วยการหาในทางที่ผิดมันก็จะตกไปอยู่อบายอบายก็มี4ชั้นมีนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานวนเวียนอยู่ในนี้คือหากามหาได้ดีอย่างถูกต้องก็อยู่ในสุกติหาอย่างไม่ดีก็เป็นทุกติ อีกแบบหนึ่งอยากเป็นอยากเป็นเ น, นี่ยสำหรับคนทั่วไปก็คืออยากได้ตาแหน่งดีๆอยากมีครอบครัวดีๆอยากเป็น elin, ar, สามี yes, er. คนนั้นอยากเป็นภรรยาคนนี้ประมาณนี้แต่อยากที่ดีกว่านั้นก็คืออยากเป็นพระพมที่พ้นจากกามไปนี่คืออยากได้ตาแหน่งสูงคนสมัยนั้นเนี่ยก็คือตาแหน่งสูงสุดที่คนทั้งหลายที่จะนับถือก็คือเป็นพระพมหรือเป็นหมู่ เป็นหมู่เดียวกันกับพระพรหมเมื่อเป็นพระพรหมรู้ว่าการเป็นพระพรหมก็ไม่เที่ยงนี้นะหรือว่าไม่ต้องตายจากพรหมก็อยากที่พ้นจากความเป็นพรหมเห็นว่าความเป็นพรหมเนี่ยมาได้จากรูปฌานก็ละทิงะท้งลูกละทิ้งรูปฌานหาสิ่งที่พ้นจากรูปฌานนั้นกลายเป็นวิภพคือให้พ้นจากตรงนั้นไปอยากที่จะไม่เป็นพรหม นี่คือความอยากสูงสุดของวิภพนะคือวิภพะวัติตันหาคือไปเป็นอรูปภพหรือทําอรูปประชานท่านก็บอกว่าเป็นภพมมาอยู่ในภพของพภมแล้วปรารถนาวิภพได้วิภพแล้วก็ยังเป็นทุกข์เพราะยังเป็นภพอยู่เป็นภพของอรูปนี่ท่านแสดงกับพระภมนะมันก็เลยดูละเอียดหน่อยนะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็คือว่า ไม่ว่าจะทำฌานแบบรูปฌานหรืออรูปฌานมันก็คือไปสแสวงหาพบนั่นเองไม่พ้นจากพบไปไหนเมื่อเข้าไปอยู่พบแล้วก็มีการเกิดในพบนั้นการเกิดก็คือชาติก็ต้องมีแก่ชาราก็มีตายจากชาตินั้นก็เป็นมรณะในระหว่างที่อยู่ตรงนั้นก็กระทบกับสิ่งที่พอใจบ้างไม่พอใจด้วาก็เป็นโสกะปริเทวทุกโทมนั ขัดใจปุปาญาิขัดเคืองใจแห้งใจมีอยู่เสมอแม้ในพระพรมเองท่านก็แสดงความจริงนี้ให้ดูพรมทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมื่นองค์เป็นพระอารหันต์พ้นจากอาสวะมนัม<า>นมันน่าจะเสียใจมากนะอุตสาห์มา ง, งำตั้งสองทีแล้ว ตรงนี้แหละจะทำประคองจิตให้นิ่งให้ดีให้สุขให้สงบแค่ไหนก็ตามยังอยู่ในภพยังอยู่ในภพถ้าเราพอใจอยู่ในในความนิ่งความสงบความดีของจิตแบบนั้นนะมันก็คืออยู่ในภพภพหนึ่งอยู่ในภพนั้นแล้วถ้าเราไม่เข้าใจไม่พ้นจากภพบ่ถ้ามองเห็นว่ามันไม่เที่ยง เข้าไปแล้วมีออกสงบแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านดีแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมอย่างนี้นะถ้าเข้าใจความจริงนี้ได้มันจะไม่แสวงหาพบไหนดิสันสอนกับพระพรมก็เลยแบบเอาแบบสุดๆอย่างนี้สอนทีเดียวเป็นพระอาหารหันเลย